หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาร์เนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่สองวิธีปฏิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่านวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่สี่หนทางง่ายๆที่จะเป็นนักสนทนาที่ดี เมื่อเร็วๆนี้มีผู้เชิญข้าพเจ้าไปในงานสโมสรไพ่บริทข้าพเจ้าเล่นไพ่บริทไม่เป็นและมีหญิงผมสีบรอนคนหนึ่งเล่นบริทไม่เป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าหลอนรู้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยเป็นผู้จัดการของโลเวลทมัสก่อนเขาจะมาเป็นนักพูดวิทยุและข้าพเจ้าเคยท่องเที่ยวทางภาคพื้นยุโรปมามากต่อมาในฐานะผู้ช่วยของโลเวลทอมัสในการแต่งปาทถา เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเขาเป็นคนกล่าวบรรยายและฉายภาพยนตร์ประกอบด้วยเหตุนี้เองหล่อนจึงพูดโอมิสเตอร์คาร์เนกี้ดิฉันอยากให้ท่านเล่าเรื่องดินแดนหน้ามหัศจรรย์เหล่านั้นซึ่งท่านไปถึงและเห็นมาขณะเราต่างนั่งลงบนเก้าอี้โซฟาหล่อนคุยว่าหล่อนและผัวเพิ่งเดินทางกลับมาจากท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกาเมื่อเร็วๆนี้เองแอฟริกาข้าพเจ้าอุทาน มันช่างน่าสนใจเสียจริงๆผมอยากจะเห็นแอฟริกาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ผมไม่เคยไปได้ถึงสักทีนอกจากเคยไปที่แอลเยียครั้งหนึ่งเป็นเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นโปรดเล่าให้ผมฟังหน่อยคุณเคยท่องเที่ยวไปถึงถิ่นกันดานสำหรับล่าสัตว์ใหญ่มาหรืองั้นหรือครับช่างโชคดีอะไรอย่างนั้นผมอิจฉาคุณเหลือเกินโปรดเล่าเรื่องแอฟริกาให้ผมฟังหน่อยเวลา45นาที ที่หมดสิ้นไปช่างเพลิดเพลินอะไรเช่นนั้นหลอนไม่ได้ถามข้าพเจ้าอีกเลยว่าข้าพเจ้าไปถึงประเทศใดและได้เห็นอะไรมาบ้างหลอนไม่ต้องการที่จะฟังเรื่องการท่องเที่ยวของข้าพเจ้าสิ่งที่หลอนต้องการจากข้าพเจ้ายิ่งกว่าสิ่งใดก็คือให้ข้าพเจ้าเป็นนักฟังที่มีความสนใจเท่านั้นเพื่อหลอนจะได้โอ้อวดอย่างเต็มที่ด้วยการเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงว่าหลอนไปถึงไหนมาบ้างหญิงคนนี้ผิดปกติธรรมดาหรือเปล่าเลย มีคนเป็นจำนวนมากอยู่ในลักษณะเดียวกันเป็นต้นว่าเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพบนักพฤกษศาสตร์ผู้หนึ่งที่งานเลี้ยงอาหารคำ่ำซึ่งจัดให้มีขึ้นโดยย w Greenberg เจ้าของสำนักพิม์ในนครนิวยอร์ก New York, ข้าพเจ้าไม่เคยสนทนากับนักพฤกษศาสตร์มาก่อนแต่ปรากฏว่าท่านผู้นี้เป็นคนมีสเสน่ห์อยู่ไม่น้อยข้าพเจ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ฟังเขาเล่าเรื่องกัญชาเรื่องลูเทอร์บอร์แ เรื่องการทำสวนในร่มและเขาเล่าถึงความน่าชงนสนเท่ของมันฝรั่งต้นเตี้ยขขาพระเจ้ามีสวนในร่มขนาดเล็กของข้าพระเจ้าอยู่แปลงหนึ่งและเขาได้ช่วยอธิบายให้ข้าพระเจ้ารู้ถึงข้อข้องใจบางประการเกี่ยวกับสวนนั้นตามที่ข้าพระเจ้ากล่าวมาแล้วเราต่างมาในงานเลี้ยงอาหารค่ามีแขกอื่นๆมาในงานนี้อีกราวสิบสองคน แต่ข้าพาเจ้ากลับฝ่าฝืนหลักมัญญาตอันงามของผู้ดีโดยเพิกเฉยกับแขกคนอื่นๆเสียทุกคนและสนทนากับนักพืษ ศ, ศาสตร์ผู้นี้คนเดียวเท่านั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนข้าพาเจ้ากล่าวคำอำลาทุกคนเพื่อกลับบ้านนักพืชศาสตร์ผู้นั้นหันมาทางข้าพาเจ้าและยกจ้องชมเชยข้าพาเจ้าเสียมากมายเช่นว่าข้าพาเจ้าเป็นคนสนุกร่าเริงที่สุด ข้าพเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้และเขาจบคําพูดของเขาด้วยการกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นนักสนทนาที่น่าสนใจที่สุดนักสนทนาที่น่าสนใจที่สุดข้าพเจ้าน่ะหรือที่ไหนกันข้าพเจ้าไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยเสียด้วยซ้ําตามความเป็นจริงถ้าไม่เปลี่ยนเรื่องสนทนาข้าพเจ้าอยู่ในฐานะไม่สามารถจะคุยอะไรได้เลยทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องพฤกษศาสตร์ไม่มากไปกว่าความรู้เรื่องสรีรศาสตร์ของนกแพนกวิน ข้าพเจ้าปฏิบัติดังนี้ข้าพเจ้าฟังอย่างตั้งอกตั้งใจข้าพเจ้าฟังเพราะข้าพเจ้าเกิดความสนใจอย่างแท้จริงเขาตระหนักเรื่องนี้ดีฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาเกิดความพอใจการตั้งใจฟังในแบบนี้เป็นการแสดงความคาระวะอย่างสูงสุดที่เราสามารถจะให้แก่ใครได้มีมนุษย์อยู่เพียงไม่กี่คนเย็กวูดเฟอร์สเขียนในนวนิยายเรื่องความรักระหว่างคนแปลกหน้า มีมนุษย์อยู่เพียงไม่กี่คนที่สามารถต้านทานความเยินยออย่างประจบสอพอสำหรับข้าพเจ้าเองไม่ได้เยินยอเขาอย่างประจบสอพอแต่ไปไกลยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกจ้องชมเชยอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าได้รับความเพลิดเพลินอย่างเหลือล้นและได้รับความรู้ด้วยและข้าพเจ้าได้รับจริงๆข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าอยากมีความรู้ในเรื่องพุกษศาสตร์มากเท่าเขา และข้าพเจ้าอยากจริงๆข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้ากระหายที่จะเที่ยวตระเวนไปตามท้องไร่ท้องนากับเขาและข้าพเจ้ากระหายจริงๆข้าพเจ้าบอกเขาว่ า, นนวาข้าพเจ้าจะต้องพบกับเขาอีกให้ได้และข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะต้องจริงๆและด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าทําให้เขาคิดว่าข้าพเจ้าเป็นนักสนทนาที่ดีในเมื่อความเป็นจริงข้าพเจ้าเพียงแต่เป็นนักฟังที่ดีและรู้จักกระตุ้นให้เขาพูดเท่านั้น อะไรคือเคล็ดลับหรือความลับที่ช่วยให้การติดต่อในวงการธุรกิจบรรลุความสําเร็จเอาละขอนําคําตอบของชานดเวเอเลียตผู้คงแก่เรียนซึ่งมีดังนี้ไม่มีความลับในเรื่องการติดต่อทางธุรกิจจนบรรลุความสําเร็จสิ่งสําคัญอย่างยิ่งก็คือจงตั้งอกตั้งใจฟังคําพูดของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะเป็นการแสดงความคาระวะยิ่งไปกว่าการปฏิบัติเช่นนี้ มันมีความหมายแจมแจ้งในตัวของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมท่านไม่จำเป็นที่ท่านจะศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสี่ปีเพื่อค้นหาความจริงในเรื่องนี้หรอกแม้กระนั้นเรายังเคยพบเห็นพ่อค้าผู้เช่าสถานที่กว้างขวางด้วยราคาแพงซื้อสินค้ามาใส่ร้านด้วยความมัธยัติแต่งตู้โชว์สวยงามเพื่อยั่วใจให้คนเข้าร้านใช้เงินเป็นจานวนร้อยร้อยเหรียญในการโฆษณาหนังสือพิม แต่กลับจ้างเสมิียนพนัก ง, งานซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่รู้จักกระทำตนเป็นนักฟังที่ดีเสมิียนพนัก ง, งานซึ่งขัดคอเถียงกวนโทระลูกค้าและอื่นๆผลก็คือทำให้เสียลูกค้าโดยลูกค้าเหล่านั้นไม่เข้าร้านอีกเลยขอยกตัวอย่างซึ่งเยซีวุตันได้เคยประสบมาแล้วเขาเล่าเรื่องนี้หน้าชั้นการศึกษาชั้นหนึ่งที่กัปตสอนดังนี้ เขาซื้อเสื้อนอกตัวหนึ่งจากห้าง Department s t สโตในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงแล้วเมืองหนึ่งคือเมือง n e w a r รรัฐ New Jersey ซึ่งอยู่ใกล้ทะเลปรากฏว่าเสื้อนอกตัวนี้ไม่เป็นที่ถูกใจกล่าวคือสีที่ย้อมตกจนกระทั่งมาเปื้อนคอเชิ้ตเขานำเสื้อตัวนี้ไปที่ห้างพบคนขายของผู้ขายให้เขาครั้นแล้วเขาบอกเรื่องที่เกิดขึ้นข้าพเจ้ากล่าวว่าเขาบอก เรื่องที่เกิดขึ้นหรือเสียใจมากมันเกินความจริงไปเขาเพียงแต่พยายามบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เขาไม่สามารถจะกระทำได้เพราะถูกขัดเสียก่อนเราขายเสื้อเหล่านี้มาตั้งหลายพันตัวแล้วคนขายรีบแย้งสวนขึ้นมาทันทีเราเพิ่งจะถูกต่อว่าเป็นครั้งแรกจากท่านนี่แหละนั่นเป็นเพียงแต่คำพูดของเขาส่วนเสียงของเขาร้ายไปยิ่งกว่านี้อีกมาก เสียงชวนวิวาดของเขามีความหมายท่านโกหกท่านคิดว่าท่านจะใส่ร้ายเราได้ง่ายๆ ง, งั้นหรือดีละฉันจะแสดงอะไรให้ท่านดูสักอย่างสองอย่างระหว่างต่างกำลังโต้เถียงกันด้วยเลือดเดือดพล่านคนขายของอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยโต้แย้งเสียงขึงขังเสื้อสีดำตอนแรกๆมันตกบ้างนิดหน่อยช่วยไม่ได้เสื้อราคานี้มันเป็นแบบนี้แหละสีที่ใช้ย้อมมันจะตกอย่างนี้ขณะเดียวกันผมถึงกับคำรามในลำคอ มิสเตอร์วูดตันบรรยายขณะเขาเล่าเรื่องนี้คนขายของคนแรกทำกิริยาเหมือนกับว่าผมมีเจตนาไม่สุจริตส่วนคนขายคนที่สองกล่าวหาว่าผมซื้อของชนิดราคาถูกผมพุ่งพล่าดใหญ่ผมกำลังจะบอกคนทั้งสองว่าเอาเสื้อตัวนี้กลับคืนไปแล้วจงไปไตายหงายต้หาเสียเถอะแต่แล้วในทันทีทันใดนั่นเองหัวหน้าแผนกเดินมาหา เขาเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ของเขาเป็นอย่างดีเขานั่นเองเปลี่ยนกิริยาท่าทีของผมเสียโดยสิ้นเชิงเขาทำให้คนกำลังโมโหกลายเป็นลูกค้าที่พอใจในสินค้าที่ตนซื้อเขาทำอย่างไรหรือท่านมันมีอยู่สามประการด้วยกันประการแรกเขาฟังเรื่องของผมตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คาเดียวประการที่สองเมื่อผมเล่าจบและคนขายของทั้งสองเริ่มอธิบายตามความคิดเห็นของเขา หัวหน้าแผนกผู้นี้พูดแย้งลูกน้องของเขาโดยอาศัยแง่คิดเห็นของผมเขาไม่เพียงแต่ชี้เหตุเหตุความจริงว่าเสื้อสีตกไปเปื้อนคอเสื้อชั้นในหากเขากำชับว่าเมื่อสิ่งใดลูกค้าไม่ได้รับความพอใจทุกประการแล้วก็อยากขายสิ่งนั้นออกจากห้างเป็นอันขาดประการที่สเขาสารภาพว่าเขาไม่รู้สาเหตุแห่งความยุ่งยากนี้เลยและเขาพูดด้วยอาการสุจริตใจท่านประสงค์ที่จะจัดการอย่างไร ต่อไปกับเสื้อตัวนี้ผมจะทำตามคำพูดของท่านทุกอย่างเมื่อสองสามนาทีมานี้เองผมเกือบบอกคนขายของให้เก็บเสื้อบ้าบอตัวนี้ไว้แต่ครั้นตอนนี้ผมกลับตอบผมเพียงแต่ต้องการคำแนะนำของท่านผมอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ชั่วคราวหรือไม่และมีทางไดที่ผมพอจะแก้ไขได้บ้างเขาแนะนำว่าผมควรจะใส่เสื้อตัวนี้ดูอีกสักหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่เป็นที่พอใจเขาสัญญา โปรดนํามาคืนแล้วห้างจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ท่านเรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ก่อความยุ่งยากแก่ท่านผมเดินออกจากห้างด้วยความพอใจและปรากฏว่าเสื้อตัวนี้หลังจากเอามาใช้อีกสัปดาห์หนึ่งเรียบร้อยดีทุกอย่างและความไว้วางใจในห้างนี้ของผมกลับคืนมาครบถ้วนตามเดิมไม่น่าประหลาดอะไรนัก พี่ชายผู้นี้เป็นหัวหน้าของแผนกนั้นส่วนลูกน้องของเขาทั้งสองก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กระจอกงอกง่อยอยู่จนตลอดชีวิตหรือมิฉะนั้นก็อาจจะถูกลดตําแหน่งด้วยการย้ายไปอยู่ทางาแผนกหอที่ซึ่งเขาจะไม่มีโอกาสติดต่อกับลูกค้าคนใดอีกเลยแม้แต่คนที่กําลังโต้เถียงอย่างมีโมโหหรือคนที่กําลังวิพากวิจารอย่างฉุนเฉียวเกรี้ยกราอดมักจะสงบเยือกเย็นลงเมื่อมีผู้ฟังด้วยความอดทนและเห็นอกเห็นใจ ผู้ฟังซึ่งนิ่งเงียบในขณะอีกฝ่ายหนึ่งผู้ชอบจับผิดกําลังโมโหโทโสประดุดงูเห่าแผ่แม่เบี้ยพร้อมกับพ่นพิษออกมาขอยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเทลิโฟนพบกับลูกค้าโมโหร้ายที่สุดคนหนึ่งเข้าลูกค้าซึ่งไม่เพียงแต่จะแช่งชักหักกระดูกกับหญิงต่อโทรศัพท์หากมักจะตะคอกเหมือนคนบ้าเอาเสียด้วยเขาขู่คำรามว่าจะ ก, กระชากโทรศัพท์โยนทิ้งเสีย เขาปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าเช่าโทรศัพท์ซึ่งเขาหาว่าเป็นจำนวนสูงเกินความจำเป็นเขาเขียนจดหมายไปลงหนังสือพิมพ์เขาทำคำร้องหลายฉบับยื่นฟ้องบริษัทโทรศัพท์นี้ต่อสำนักงานดูแลบริการประชาชนท้ายสุดบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญในการระงับเหตุร้ายกับลูกค้าไปหาชายผู้นี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนั่งฟังเขากล่าวคำพูดอย่างยาวยืดล้วนแล้วแต่ด่า และว่าติเตียนบริษัทโทรศัพท์และดูเขามีความสุขสำราญในการได้ระบายคำพูดเหล่านั้นเสียจริงๆเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์ฟังและพูดแต่ครับครับพร้อมกับแสดงกิริยาเห็นใจในความเดือดร้อนของเขาเขารำพึงรำพันเหมือนคนเสียสติและผมฟังเขาอยู่เกือบสามชั่วโมงเจ้าหน้าที่ผู้ระงับเหตุไร้คนนั้นกล่าวในการเล่าเรื่องนี้ของเขาหน้าชั้นการศึกษาภายใต้การสอนของข้าพเจ้า ต่อมาผมไปหาเขาและฟังเขาอีกผมไปหาเขารวมสี่ครั้งและเมื่อตอนครั้งที่สี่จะสิ้นสุดลงผมกลายเป็นสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมซึ่งเขากำลังจัดให้มีขึ้นเขาตั้งชื่อสมาคมนี้ว่าสมาคมคุ้มครองผู้เช่าโทรศัพท์แม้บัดนี้ผมก็ยังเป็นสมาชิกของสมาคมนี้อยู่และตามที่ผมรู้นอกจากมิสเตอร์จุด ๆ, ๆแล้วในปัจจุบันผมเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งเท่านั้นในโลกนี้ ระหว่างการพบปากับเขาผมฟังและเห็นใจเขาทุกๆอย่างที่เขาเล่าแก่ผมเขาไม่เคยพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์มาติดต่อพูดจากับเขาในทำนองนี้มาก่อนด้วยเหตุนี้เองเขาจึงแทบจะกลายเป็นกันเองกับผมผมไม่ได้บอกจุดประสงค์ของผมในการพบปะครั้งที่หนึ่งสองหรือสแต่ผมบอกในครั้งที่สี่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจบลงเป็นที่เรียบร้อยเขาจำระบินที่ค้างอยู่ทั้งหมด เขาถอนฟ้องจากสำนักงานดูแลบริการประชาชนซึ่งทั้งนี้นับว่าเป็นประวัติการแห่งความยุ่งยากเดือดร้อนซึ่งบริษัทโทรศัพท์เคยได้รับโดยเขาเป็นรายแรกที่ยอมถอนฟ้องไม่มีปัญหาอะไรเลยมิสเตอร์จุดๆคิดว่าตัวเขาเองเป็นผู้มีเจตนาที่จะบำเพ็ญกรณีเพื่อประชาชนในการกำจัดความชั่วของบริษัทซึ่งมุ่งหน้าแต่จะกอบโกยประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ตามความเป็นจริง เขาต้องการจะเกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญต่างหากเขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญในครั้งแรกโดยการคัดค้านเสียงแข็งและการยื่นฟ้องบริษัทโทรศัพท์ครั้นความต้องการของเขาที่จะมีความรู้สึกเป็นคนสําคัญได้รับสมประสงค์จากผู้แทนของบริษัทโทรศัพท์แล้วจินตนาการของเขาในเรื่องความเดือดร้อนยุ่งยากก็อันตรธานไปในอากาศเช้าวันหนึ่งหลายปีมาแล้วมีลูกค้าคนหนึ่งเดินอย่างโมโหโทโส เข้ามาในสำนัก ง, งานของยูเรียนเอฟเดดเมอร์ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทค้าขนแกะชื่อเดดเมอร์วูนเลนซึ่งต่อมาภายหลังเป็นบริษัทจำหน่ายวัตถุทำด้วยขนแกะในการทำเครื่องนุ่งห่มใหญ่ที่สุดในโลกลูกค้าผู้นี้ค้างเงินเราอยู่15เหรียญมิสเตอร์เดดเมอร์อธิบายแก่ข้าพเจ้าแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้เรารู้ดีว่าเขาเข้าใจผิดทางแผนกหนี้สินของเรา ขอร้องให้เขาชำระเงินจำนวนนี้ภายหลังได้รับจดหมายจากแผนกหนี้สินของบริษัทหลายฉบับเขาบรรจุเสื้อผ้าลงกระเป๋าและเดินทางมาชิคาโก้ตรงมาหาผมที่สำนักงานและบอกผมว่าเขาไม่เพียงแต่ไม่ยอมชำระเงินจำนวนนี้หากเขาจะไม่ขอซื้อสินค้าจากบริษัทเดสมเมอร์วุลเลนอีกเลยแม้แต่เหรียญเดียวผมใช้ความอดทนฟังคําพูดทุกๆคําของเขาหลายครั้งผมอยากจะโต้แย้งบ้างแต่ผมตระหนักว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเหตุนี้เองผมจึงปล่อยให้เขาพูดคนเดียวตามความพอใจครั้นสุดท้ายอาการโมโหของเขาค่อยสงบลงและมีท่าทางว่าอยากฟังผมพูดบ้างผมจึงพูดด้วยเสียงเป็นปกติผมขอขอบคุณท่านที่อุตส่าห์เดินทางมาชิ ค, คาโกเพื่อมาบอกผมในเรื่องนี้การกระทำของท่านเป็นความกรุณาอย่างยิ่งเพราะเมื่อผแผนกหนี้สินของบริษัทกวนใจท่านโดยไม่มีมูล ก็คงจะกวนใจลูกค้าที่ดีอื่นๆของบริษัทเช่นเดียวกันซึ่งนับว่าออกจะร้ายแรงอยู่มากขอให้เชื่อผมเถิดว่าผมกระหายที่จะรู้เรื่องนี้ยิ่งกว่าท่านกระหายที่จะมาเล่าให้ผมฟังเสียอีกเขาไม่ได้คาดหมายเลยว่าจะได้ยินผมพูดกับเขาเช่นนี้ผมคิดว่าเขาคงผิดหวังอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะการที่เขาเดินทางมาชิคาโก้ก็เพื่อมาเล่นงานผมแต่ผมกลับขอบคุณเขาแทนการเป็นปากเป็นเสียงกับเขา ผมบอกเขาว่าผมจะค่าเงินสิบห้าเหรียญออกจากบัญชีและไม่เอามาเป็นอารมณ์อีกต่อไปเพราะอย่างไรเสียเขาคงจะเป็นฝ่ายถูกทั้งนี้ก็เพราะเขามีบัญชีอยู่เพียงบัญชีเดียวเขาย่อมมีเวลาพอที่จะตรวจตรายอย่างละเอียดละออส่วนเสมียนของบริษัทต้องดูแลบัญชีนับเป็นพันพันรายฉะนั้นเขาคงจะมีทางพลาดพลั้งน้อยกว่าทางบริษัทผมบอกเขาด้วยว่าผมตระหนักดีว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าผมอยู่ในฐานะของเขาผมก็จะรู้สึกอย่างเดียวกันโดยไม่มีปัญหาเนื่องจากเขาบอกว่าเขาจะเลิกซื้อสินค้าของบริษัทนี้อีกต่อไปผมจึงแนะนําให้ติดต่อกับบริษัทขายเครื่องขนแก่อื่นๆในอดีตเมื่อเขามาชิคาโก้เรามักจะไปกินอาหารกลางวันด้วยกันเหตุนี้เองผมจึงชวนเขาไปกินอาหารกลางวันกันในวันนั้นเรารับเชิญอย่างเสียไม่ได้แต่ครั้นหลังจากอิ่มเรียบร้อย และเราพากันกลับมาที่สำนักงานอีกครั้งหนึ่งเขาสั่งซื้อสินค้าจากเราด้วยจำนวนมากกว่าเมื่อก่อนเขาเดินทางกลับบ้านด้วยอารมณ์อันแจ่มใสและมีความต้องการที่จะให้ความยุติธรรมแก่เราเช่นเดียวกับเราให้แก่เขาเขาจึงตรวจสอบบินต่างๆและได้พบบินของเราฉบับนั้นซึ่งทําให้เขาเข้าใจผิดแล้วเขาส่งเช็คราคา15้าเหรียญมาให้เราพร้อมด้วยจดหมายขออภัยต่อมาภายหลัง เมื่อเมียของเขาคลอดลูกคนหนึ่งเป็นชายเขาตั้งชื่อคำกลางว่าเดดเมอร์และเขาคงเป็นมิตรและลูกค้าของบริษัทเราต่อมาอีกเป็นเวลา22ปีจนกระทั่งเขาตายหลายปีมาแล้วมีเด็กชายจนจ น, จนชาวฮอลันดาคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศนี้เขาทำงานล้างตู้กระจกหน้าร้านทำขนมปังแห่งหนึ่งหลังโรงเรียนเลิกด้วยค่าจ้างสัปดาห์ละ50เซนและเนื่องจากญาติที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนยากจน ทุกทกวันเขาถือกระจาดเดินตามถนนไปยังที่รถบรรทุกส่งถ่านหินจอดและเก็บเศษถ่านหินซึ่งหล่นอยู่ตามท่อถนนเด็กคนนี้เอ็ดเวิร์ดบ็อกตลอดชีวิตของเขาไม่เคยเข้าโรงเรียนเกินไปกว่า6ปีแม้กระนั้นผลสุดท้ายของเขาสร้างตนเองจนกลายเป็นบรรณาธิการนิตยสาราที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์แห่งการจัดทานิตยสารของสหรัฐเขาทาอย่างไรหรือท่าน มันเป็นเรื่องยาวมากในที่นี้จะขอเล่าอย่างสั้นๆเพียงแต่ว่าเขาเริ่มต้นอย่างไรเท่านั้นเขาเริ่มต้นด้วยการใช้หลักการซึ่งสนับสนุนไว้ในบทนี้นั่นเองเขาออกจากโรงเรียนเมื่อเขาอายุ13และทำงานเป็นเด็กรับใช้ที่สำนักงานบริษัทโทรเลขเว s เ e r n u n ยูเนนในอัตรารายได้6เหรียญ25เซนต์ต่อหนึ่งสัปดาห์อย่างไรก็ดีเขาไม่ยอมละทิ้งความคิดที่จะศึกษาเล่าเรียนเลยแม้แต่ขณะเดียว ตรงกันข้ามเขากลับศึกษาด้วยตนเองเขาประหยัดค่ารถโดยสารและทำงานโดยไม่กินอาหารกลางวันจนกระทั่งเขามีเงินพอที่จะซื้อประทานุกรมชนิดเอนไซโคบีเดียเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญชาวอเมริกันครั้นแล้วเขากระทำในสิ่งที่ไม่มีใครได้ยินมาก่อนเขาอ่านชีวประวัติของบุคคลนามโด่งดังเหล่านั้นแล้วเขาเขียนจดหมายถึงบางคนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก เขาเป็นนักฟังที่ดีคนหนึ่งเขากระตุ้นบุคคล น, นามอุโคดให้คุยถึงเรื่องของตนเองเขาเขียนจดหมายถึงนายพลเยมเอกาฟิลซึ่งตอนนั้นกำลังวิ่งหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและถามว่าเป็นความจริงหรือที่ครั้งหนึ่งท่านนายพลเคยเป็นเด็กทำงานอยู่ในเรือพ่วงที่คลองแห่งหนึ่งซึ่งนายพลกาฟิลยินดีตอบจดหมายของเขาเขาเขียนจดหมายถึงนายพลการ ถามถึงเรื่องสงครามบางครั้งซึ่งนายพลกรานถึงกับเขียนแผนที่ส่งไปให้เขาและเชิญเด็กชายอายุ14ปีผู้นี้ไปกินอาหารขํากับเขาที่บ้านและสนทนาด้วยตลอดหัวขําของคืนนั้นเขาเขียนจดหมายถึงเอเมอร์ซันและกระตุ้นให้เอเมอร์ซันคุยถึงเรื่องของตนเองต่อมาไม่ช้าเด็กรับใช้ที่สํานักงานเวสตันยูเนียนผู้นี้เขียนจดหมายโต้อตอบกับบุคคลเรืองนามที่สุดของชาติอีกหลายคนเอเมอร์ซันฟินลิป บรูคอลิเวอร์เวนเดลโฮมลองเฟลโลนางเอปราฮัมลิงคอนลุยซาเมแอนคอรดนายพลเซอร์แมนและเยฟเฟอร์สันเดวิดเขาไม่เฉพาะแต่เขียนจดหมายโต้ตอบกับบุคคลสำคัญเหล่านี้เท่านั้นหากในวันหยุดงานเขายังไปเยี่ยมเยือนและกลายเป็นแขกที่ได้รับการต้อนรับเป็นอันดีจากการพบปะ ติดต่อกับบุคคลเหล่านี้ได้เพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่เขาอย่างมหาศาลชายและหญิงเหล่านี้ช่วยอุดหนุนให้เขาเกิดมโนภาพและความทะเยอทะยานอันรุนแรงซึ่งได้ปฏิวัติชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิงและการติดต่อด้วยผลสําเร็จอันงามของเขาทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้ากล่าวย้ําอีกครั้งหนึ่งมาจากการใช้หลักการซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทนี้แต่อย่างเดียวเท่านั้นไอซัสเอฟมาร์คอัน นักสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจนแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นเอกของโลกกล่าวเปิดเผยว่ามีบุคคลอยู่เป็นอันมากประสบความล้มเหลวที่จะเป็นผู้ได้รับความนิยมเนื่องมาจากไม่ฟังผู้อื่นพูดอย่างตั้งอกตั้งใจเขาเหล่านี้เอาทุระอย่างจริงจังกับการที่จะพูดออกมาจนกระทั่งไม่ยอมเปิดหูฟังบุคคลสำคัญบอกผมว่าเขาชอบคนจากนักฟังที่ดีถึงนักพูดที่ดี แต่ความสามารถเป็นนักฟังที่ดีของมนุษย์เป็นสิ่งหายากจะยิ่งกว่านิสัยที่ดีอื่นๆทั้งหลายไม่เฉพาะแต่บุคคลสําคัญเท่านั้นที่พึงใจนักฟังที่ดีคนธรรมดาสามัญก็พึงใจนักฟังที่ดีเหมือนกันเช่นเดียวกับที่นิตยสารรีดเดอร์สไดเยสครั้งหนึ่งลงข้อความดังนี้มีคนเป็นอันมากเรียกแทย์มารักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนในเมื่อสิ่งที่เขาเหล่านั้นต้องการโดยแท้จริงก็คือผู้ฟังที่ดีต่างหาก ระหว่างสงครามกลางเมืองกำลังตั้งเขามืดครุ้มที่สุดประธานาธิบดีลิงคอนเขียนจดหมายถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งในเมืองสปริงฟิลด์รัฐอิลลินอยขอเชิญให้เพื่อนผู้นั้นเดินทางมากรุงวอชิงตันลิงคอนแจ้งว่าเขามีปัญหาหลายอย่างที่อยากจะปรึกษาหารือเพื่อนบ้านเก่าแก่ของลิงคอนผู้นี้รีบเดินทางตรงมายัางทำเนียบไวท์เฮาส์และลิงคอนคุยกับเขาเป็นเวลาหลายชั่วโมง ถึงเรื่องเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะประกาศปล่อยพวกทาตให้รับอิสรภาพลิงคอนเล่าถึงการถกเถียงกันในเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายไม่เห็นชอบครั้นแล้วอ่านจดหมายหลายฉบับและบทความหนังสือพิมพ์ต่างๆให้ฟังซึ่งบางเล่นงานเขาที่ไม่ปล่อยพวกทาตให้เป็นอิสรภาพและบางเล่นงานเขาเพราะเกรงไปว่าเขาจะให้อิสรภาพแก่พวกทาต ภายหลังพูดมาแล้วหลายชั่วโมงลิงคอนจับมือเพื่อนบ้านเก่าแก่ผู้นั้นเขยา่ากล่าวคำราตรีสวัสดิ์และไปส่งเมื่อเพื่อนผู้นี้เดินทางกลับยูริโนยโดยไม่ได้ขอร้องให้เขาแสดงความคิดเห็นอย่างใดทั้งสิน้นลิงคอนทำหน้าที่เป็นผู้พูดคนเดียวทั้งนี้ดูประหนึ่งว่าการกระทำนั้นสามารถช่วยให้จิตใจของเขาปลอดโปร่งแจม่มใสดูเขาสบายใจขึ้นหลังจากพูดเสร็จแล้วเพื่อนเก่าผู้นั้นกล่าว ลิงคอนไม่ต้องการคำแนะนำเขาเพียงต้องการผู้ฟังที่เป็นมิตรแท้และฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งจะช่วยให้เขาหายกลุ้มใจเท่านั้นเราทุกคนเมื่อประสบความเดือดร้อนยุ่งยากต่างต้องการผู้ฟังชนิดนี้ด้วยกันทั้งนั้นลูกค้าทุกคนที่ได้รับความเดือดดานก็ต้องการผู้ฟังชนิดนี้รวมทั้งลูกจ้างผู้ได้รับความไม่พอใจหรือมิตรสหายของเราผู้ได้รับความเจ็บใจ ก็ต้องการผู้ฟังชนิดนี้เช่นเดียวกันถ้าท่านอยากรู้วิธีสําหรับทําให้ผู้อื่นรังเกียจท่านจนหลีกหนีหัวเราะเยาะท่านเมื่ออยู่รับหลังและถึงกับเกลียดชังท่านจงปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้อย่าฟังผู้อื่นพูดให้นานนักจงพูดถึงตัวของท่านเองตลอดเวลาถ้าท่านมีความคิดอะไรในระหว่างอีกฝ่ายหนึ่งกําลังพูดอย่าคอยให้เขาพูดจบเขาไม่เก่งเหมือนท่านนี่นาะ ทำไมจะต้องเสียเวลาของท่านไปฟังคำพูดอันไม่มีสาระของเขาท่านจงโผุงขึ้นมากลางคันโดยอย่าได้รอช้าท่านรู้จักมนุษย์ชนิดที่กล่าวนี้บ้างหรือเปล่าข้าพเจ้ารู้จักช่างโชคร้ายอะไรเช่นนั้นและสิ่งที่น่าชะโงนสนเท่อย่างยิ่งก็คือมนุษย์เหล่านี้บางคนเป็นผู้มีชื่อเสียงเด่นอยู่ในวงสังคมคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ที่น่าเบื่อหน่ายแก่ผู้อื่นน่าเบื่อหน่ายในการหลงงมอยู่กับการอวดตัว และมึนเมาอยู่กับความรู้สึกเป็นคนสำคัญของตนเองบุคคลใดพูดถึงแต่ตัวของเขาเองจะคิดแต่ตัวของเขาเองและบุคคลใดคิดแต่ตัวของตัวเองดออรนิโคลัสเมอร์รี่บัตเลอร์ประธานของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวเป็นคนที่ไร้การศึกษาอย่างสิ้นดีเขาจะเป็นคนที่ไร้การศึกษาด็ตอร์บัตเลอร์กล่าวแม้เขาจะได้รับการอบรมสั่งสอนสักเพียงใดก็ตาม ดังนั้นถ้าท่านปรารถนาที่จะเป็นนักสนทนาที่ดีจงเป็นผู้ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจดังเช่นนางชาญนอทอมลีกล่าวไว้ต้องสนใจจึงจะได้รับความสนใจจงตั้งคำถามในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบด้วยความยินดีจงสนับสนุนให้ผู้อื่นสนทนาถึงเรื่องของเขาและความสาเร็จของเขาโปรดจำไว้เสมอว่าบุคคลที่ท่านสนทนาด้วยเป็นผู้สนใจในตัวของเขาเอง ความต้องการของเขาและปัญหาของเขายิ่งกว่าจะสนใจในตัวท่านและปัญหาของท่านตั้งหนึ่งร้อยเท่าเพียงแต่เขาปวดฟันเท่านั้นเขาจะสนใจไปยิ่งกว่าการอดอาหารตายในประเทศจีนซึ่งทำลายชีวิตมนุษย์ถึงล้านคนและเพียงแต่มีฝีขึ้นที่คอของเขาเขาจะสนใจยิ่งไปกว่าเกิดแผ่นดินไหวในแอฟริกาสักสี่สิบครั้งท่านจงคิดถึงสิ่งเหล่านี้เวลาท่านเริ่มการสนทนาในคราวต่ต อ, ตอไป ดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านกฎที่สี่มีดังนี้จงเป็นนักฟังที่ดีจงสนับสนุนให้อีกฝ่ายหนึ่งคุยถึงเรื่องของเขา